ยาซีเรียบเรื่องคนแจวเรือจ้างกับนักศึกษานักศึกษาผู้คงแกวเรียนคนหนึ่งได้ว่าจ้างเรือแจวให้พาข้ามฟ้า ในขณะที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆดูมืดครึ้มและลมเริ่มพัดจนน้ากระเจาะเป็นระลอกเรือแจวได้แล่นไปอย่างช้าช้าเมื่อเรือเข้าสู่กระแสน้ําเชี่ยวคนแจวเรือจึงต้องตั้งอกตั้งใจแจวอย่างระมัดระวังฝ่ายนักศึกษากําลังก้มหน้าก้มตาอ่านตําราเล่นใหญ่ในที่สุดนักศึกษาก็ละสายตาจากตํารา เงยหน้ามองมาที่คนแจวเรือลุงเคยอ่านตำราประวัติศาสตร์บ้างไหมนักศึกษาถามขึ้นไม่เคยเลยครับคนแจวเรือจ้างตอบเบาๆงั้นลุงก็พลาดโอกาสยังน่าเสียดายในหนังสือประวัติศาสตร์นั่ลุงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าอ่านมีเรื่องของกษัตริย์และราชินีในอดีตเรื่องของสงครามการต่อสู้ ทำให้เรารู้ว่าคนในสมัยโบราณใช้ชีวิตกันยังไงแต่งกายแบบไหนประวัติศาสตร์จะบอกให้ทราบถึงความเจเริญของชนชาติต่างๆทำไมลุงไม่อ่านประวัติศาสตร์บ้างเล่าผมไม่เคยเรียนหนังสือครับคนแจวเรือต่อคนแจวเรือก็แจวเรือต่อไปนักศึกษาก็ก้มหน้าอ่านตำราต่อไป คงมีแต่เสียงใบแจวกระทบพื้นน้ำเท่านั้นผ่านไปสักครู่นักศึกษาก็ถามคนแจวเรือขึ้นอีภูมิาสา์เล่าลุงเคยอ่านบ้างไหมไม่เคยเลยครับภูมิาสา์เป็นวิชาที่สอนให้เรารู้จักกับโลกและประเทศต่างๆกระทั่งภูเขาแม่น้ำลมพายุฝนภูมิาสา์เป็นวิชาที่น่าศึกษา ม, มาก ลุงไม่รู้จักวิชานี้เลยเหรอไม่เคยเลยครับควนแจวเรือตอบนักศึกษาสายหน้าไม่รู้จักวิชานี้ชีวิตลุงไม่มีค่าอะไรเลยวิทยาศาสตร์ละลุงใครอ่านบ้างหรือเปล่าไม่เคยอีกแหละคุณลุงเป็นคนยังไงเหวิทยาศาสตร์เคยอธิบายถึงเหตุและผลต่างๆความก้าวหน้าของมวลมนุษย์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 พายุกําลังจะมาและเรือก็ยังเหลือระยะทางอีกไกลกว่าจะถึงฝั่งคนแจวเรือแงงหน้าขึ้นมองท้องฟ้าดูเมฆมันสิบคุณพายุคงจะมาในไม่ช้าคุณว่ายน้ำเป็นไหมครับนักศึกษาพูดอย่างตกใจกลัวว่ายน้ำผมว่ายไม่เป็นหรอกลุงบัดนี้คนแจวเรือ เป็นฝ่ายเลิกคิ้วมองนักศึกษาอย่างแปลกใจบ้างและพูดว่าอะไรการคุณว่ายน้ำไม่เป็นคุณรอบรู้ออกมากมายประวัติศาสตร์เอ่ยภูมิศาสตร์เอ่ยและวิชาวิทยาศาสตร์คุณก็ออกคล่องแต่ทาไมไม่เรียนว่ายน้ำด้วยเล่าอีประเดี๋ยวเธอะคุณจะรู้ว่า ชีวิตของคุณไม่มีค่าเลยพายุพัดจัดขึ้นเรือลำน้อยถูกคลื่นและลมพัดโยนขึ้นขึ้นลงลงและไหนไมิช้าก็ถูกคลื่นและพายุกระหน่ำจนเรือพลิกคว่ำคนแจวเรือว่ายน้ำเป็นแต่ทว่านักศึกษาเกือบจะจมน้ำตายแทบเอาชีวิตไม่รอดดีที่ว่า คนแจวเรือช่วยพาเขาขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย